ขอความสุขความเจริญจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้คงอธิบายสืบต่อในสามรณวาระตามที่พระสารีบุตรเทระได้รับอาราธนาจากพิสุจสงฆ์กลุ่มหนึ่งขอรพระเทระอธิบายขยายความ แต่ละข้อเนี่ยพูดง่ายๆว่าแต่ละข้อในอริ ย, ยสัจสีให้วิจิต พ, พิสารออกไปในข้อชราโมนะก็คืออธิบายทุกขสั์ปัญจจริงคือทุกข์โดยสัยโครงสร้างก็คือถ้าผู้ปฏิบัติรู้ชัดถึงความ ชรามระเหตุเกิดแห่งชรามระความดับแห่งชรามระและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแห่งชราและมระด้วยเหตุเพียงเท่านี้ ถ, ถ้าทำได้จริงก็ชือว่าเป็นผู้มีความเห็นชอบมีความเห็นตรง มีศรัทธาเลื่อมใสอันหนักแน่นมั่นคงไม่งอนแง่นไม่ครอนแครนก็มาสู่พระสัทธรรมหมายความมาเข้าถึงพระสัทธรรมทั้งปริยัติปฏิบัติและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผลที่เป็นปฏิเวทก็อย่างง น, นก่อนในชั้นศีลชั้นธรรมะชั้นสมาธิชั้นปัญญาก็ประนีขึ้นไปเรื่อย แต่จากนั้นพระเถระก็อธิบายขยายความคำวัชรากับโมระคำวัชรากับโมระในความหมายของพระเถระนี่คืออะไรแล้วก็ตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายเองคือว่าเวลาระสาดิบุตรท่านเทศเนี่ย ท, ท, ที่จริงถ้าเราไปเทียบเคียงกับพระบาลีพุทธวจนะเหมือนกันทุกคำ ระยะสาววกทั้งหลายเทศอย่างนั้นเทศตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะครรเทศก็คือการแสดงกระทากับวิชานิเทศศาสตร์มกษศาสตร์ในการชี้บอกในการชี้แจงในการแสดงแสดงเรืงความจริงของเรื่องเหล่านั้น ตีตนเองเข้าถึงได้แล้วคนอื่นสามารถจะสัมผัสได้เพราะเรื่องทุกมันเป็นเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติบางทีเราแปอที่บายเสียจนเขาจะยากไปเลยแต่ที่รู้จะส่งแสดงสมมติเราแสดงฉลาเนี่ยเราไปนั่งดูคนแก่ก็พอแล้ว ก็เรียนจากร่างกายคนแก่แล้วพอเราแก่เราก็ยืนหน้ากระจกก็ ด, ดูดูตัวเราเนี่ยเราก็เห็นว่าเออมันก็ครบนะอาการของชรลาปรากฏชัดเจนในตัวของเราทรงแสดงว่าความแก่ของสัตว์นั้นๆในหมู่สัตว์นั้นๆคืออะไรคือความคล่าคล้าฟันหักผมออก หนังเหี่ยวยน่นความเสื่อมสิ้นไปของอายุความงอมแห่งอินทรีย์ทั้งหลายคือเราเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายตลอดถึงใจของเราเนี่ยมันชักไม่ค่อยได้เรื่องตาก็มองอะไรไม่ค่อยชัดหูก็ฟังอะไรไม่ค่อยชัดจมูกก็แยกกลิ่นได้ไม่ชัดเจน ลิ้นบางทีก็ไม่ค่อยได้รถไดชาติอะไรเวลาสัมผัสจับต้องอะไรก็ไม่ได้สัมผัสจริงๆอย่างไวที่เราแข็งแรงอยู่วันใจจะเนียวนึกถึงเรื่องอะไรก็หลงๆดืมอๆแางทีก็นึกไม่ออก นี่แสดงถึงการปรากฏตัวของชาเป็นความแกง่งงอมของอินทรีย์คือชีวิตโดยเฉพาะยิงยงง่งกระตาหูจมูกเล็กใจมันก็งอมลงไปเยอะเช่นเรื่องความจำความลืมเนี่ยเราสังเกตได้ว่า ที่เราฟังเราอ่านนี่ก็เยอะวันๆแต่ก็อ่านแล้วก็ลืมเยอะตอนอ่านก็เข้าใจดีแต่พออ่านเลยไปแล้วมันก็ลืมเทียงแต่ว่าถ้าใครถามขึ้นมาเนี่ยคือกลับประเด็นได้เพียงแต่ว่าไม่สามารถให้พูดให้เต็มข้อความ ตาวเท่าที่เราเรียนมาก็แ น, น่ น, นอนแหะโดยทั่วไปก็ใครไม่เก่งขนาดนั้นเก่งแต่ให้สรุปประเด็นเรื่องเหล่านั้นได้นี่ก็มีทั่วไปก่คนทั้งหลายเป็นประสบการณ์ตรงของทุกชีวิตว่าความแก่แล้วมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่ได้ความอะไรจริงๆ มีการพยายามให้สีให้พรกันโดยพิติการต่างๆเดี๋ยวยกตัวอย่างว่าจะตุรพิตรพรทุกสี่ประการเนี่ยในความรู้สึกกนามัยเองตั้งไหนแต่ใดมาคือไม่เคยตื่นเต้นก็เรายัางนึกไม่ออกว่าเอแล้วเอาไปทำอะไรอายุให้อายุยืนพออายุยืนแล้วมันมันอีกสามอย่างเนี่ยไม่รู้มีไปทำอะไร วันณนะมีผิวพรรณสดใสงดงามสวยงามเปล่งปลั่งมีน้ ำ, ม, นำมีนวลไอ้ค้นแก่มันจะมีน้ำมีนวลได้ยังไงสุขมันจะสุขยังไงอะลุกก็เอวยน่นก็อเอวยินก็เอวยัวก็ไม่สุขอะแล้วพร ะ, ะยิ่งปลายใหญ่เลยแต่นั้นเราอย่าลืมว่า เพียงแต่อายุมันคืบคลานเข้าไปอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ากิจโฉมมนุสสปฏิลาโภการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นของได้ยากอิจสังมัญจาในชีวิตต่างการดำรงชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะตอนนั้นมีความแ ก, ก่กำลันตายเกาะติดไปด้วยแสดงตัวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ความแก่นั้นแสดงไปเรื่อย ความตายก็แสดงไปเรื่อยแต่เราไม่เห็นแล้วก็สองอย่างเนี้ยกิจสังสัตธรร ม, มสวนานังโอกาสที่ฟังพระสัตธรรมนี่เป็นไปได้ยากคือลองสังเกตว่าอาตมาเทศอยู่ที่ตึกสวเมื่อก่อนที่ประวัสดแล้วก็ไปที่ตึกสวรทรมณิเวทเวลานี้ก็ย้ายมาที่ศาลาการประเรียน เพราะว่าสองแห่งนั้นมีคนช้าเยอะเราก็หลบมาอยู่ที่สลาการประเรียนแต่ประการที่สำคัญย่างยิ่งคือคนมันลดลดโดยไม่เพิ่มพยายามสังเกตว่าวันหนึ่งวันหนึ่งนี่มีคนอายุต่ำกว่าหกสิบสักกี่คนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถึงมีก็สรุปแล้วว่าไม่เกินครึ่ง ไม่เกินครึ่งของคนที่อายุเลยห0สิบไปแล้วเราก็ทำหน้าที่เทศสอนคนคนที่ไม่มีแรงทำบาป แ, แรงทำบุญก็ไม่เคยมีด้วยมาความ่าเทศกับคนแก่ทำให้เราเองก็แก่ไปด้วยแก่ไปเช่นเดียวกับโยมนั่นแหละก็เทศหนึ่งชั่วโมงเราก็แก่ไปหนึ่งชั่วโมง อายุเราก็สั้นข้าวไปเรกแต่สิ่งที่เราทำมันก็เป็นประโยชน์ได้น้อยอย่างแม้แต่การทำรายการทางวิทยุเนี่ยเราก็คาดหวังนะฮะคาดหวังว่าคงมีคนฟังบ้างแต่นี่นแต่ถามมาเท่าไหร่เราก็ไม่มีตัวเลข แต่คนเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ความว่ใจัยในศาสนาได้มากน้อยแค่ไหนเพีงยงไรเราไม่มีตัวเลขครันเป็นว่าแต่มีกิจกรรมเป็นว่าพูดไปยังเหลือสักยี่สิบนาทีแล้วก็ทิ้งเวลาไว้ให้โยมถามปัญหาอ้ามันก็กลายเป็นเรื่องการเมืองไปซะอีกระโยะมแต่ที่จะถามปัญหามันก็แสดงความเห็นดี หรือขอแสดงเทศร่รวมด้วยแล้วก็เคยสังเกต ร, รายการหลายรายการประทำปกติแล้วตอนกลางคืนเนี่ยก่อ น, กอนจะนอนเนี่ยก็ฟังรายการธรรมะอยู่เด้อปรากฏว่าคนถามเนี่ยมันจำแต่ซ้ําซากมุนเวิก็อยู่ไม่กี่คนเนยลยก็เห็นว่าการกระทําอย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกัน ถ้าจะเอาอย่างนี้ก็บรรยายไปอย่างนี้แหละภารกิจอันใดที่เราจะควรทำในฐานะที่เป็นภิกษุรูปหนึ่งแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในด้านค่าเช่าสถา น, นีจะอยู่ในพิสัยที่พอจะทำได้เราก็ทำ แต่ถ้าให้ไปต้องต้องไปหาสตางค่าเช่าสถานีนี่คงจะไม่ไหวทานก็ทำกันไปปฏิบัติด้วยตัวเองเทศนาสั่งสอนบรรยายปาตกถาอีกเขียนหนังสืออะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปท่ามกลางความแก่ที่ขับเคลื่อนชีวิตเราเข้าหาความตาย แล้วก็เป็นอย่างนี้กันทุกคนอาการของความแก่ที่ทรงยกมานั้นคืออาการจริงๆที่ปรากฏเกิดชีวิตแต่และชีวิตจะเป็นคนก็ได้จะเป็นสัตว์ก็ได้จะเป็นต้นไม้ก็ได้จะเป็นใบไม้ก็ได้ดอกไม้ก็ได้อะไรก็อะไรก็เป็นอาการอย่างนั้นทีนี้การตายเนี่ยนานมาแล้วหลายปีมาแล้ว มีพิธีกรดังคนหนึ่งเขาบอกว่าเวลานี้คำว่าจุติเนี่ยเขาเลิกใช้แล้วไี่ออกมาจากไหนอย่างนึกเขาออกมาจากไหนเป็นเลิกใช้ ย, ยังไงจุติหมายถึงตายนะจุติหมายถึงเคลื่อนจากจุดหนึ่งไปหาจุดเนี่ยคือตายนั่นแหละจากชาติหนึ่งไปสู่ชาติหนึ่งอาจจะจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งก็แล้วตอนพระเจ้ากอาธิบายว่า ความตายก็คือการเคลื่อนที่การย้ายที่จากหมู่สัตว์นั้นๆของเราสัตว์นั้นๆหมายความว่าตายแล้วไปเกิดอาจจะพบนี้แต่ว่าคนชาติกันอาจจะต่างชาติต่างพบกันไปแต่ว่ามันก็ต้องหมุนวนในชาติพ การการมาพบรูปประพบประรูปประพบนี่แหละก็ไม่ไปไหนรล้วแล้วก็การแตกทำลายการสูญหายด้วยการสูญสลายด้วยมรณะคือความตายการมวยมอนอันนี้ก็เป็นภาษาที่เราเรียกส่วนมากก็อยู่ในวรรณคดี ก็มีใครความเช่นกันถึงแก่กรรมคนบางพวกเราก็เรียกว่าถึงแก่กรรมบางพวกก็เรียกว่าอาสนกรรมบางถึงบางพวกก็เรียกว่ามรณกรรมบางพวกก็ไปเรียกว่ามัตะอะไรก็แล้วแต่จะเรียกแล้วก็สรุปก็ตายเดียวกันการแตกแข่งขันทั้งหลายคือรูปเป็นธนาธยาสังขารวิญญาณเมื่อจิตบันดับก็ เ, เรียกว่าวิญญาณออกจากร่างไปแล้ว พูดเป็นรูปธรรมง่ายๆว่าวิญญาณออกจากร่างไปแล้วร่างกายก็เริ่มเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงเราเห็นว่าที่จริงร่างกายก็ยังดีอยู่ยังไม่เปือยเน่านะแต่ว่าเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดี ด, ดับดับไปพร้อมกับใครดับไปพร้อมกับวิญญาณเพราะว่าแกเกิดร่วมกับวิญญาณแล้วก็มีอารมณ์เดียวกับวิญญาณแต่ก็ดับไปพร้อมกับวิญญาณ ว, วิญญาณดับแกก็ดับด้วย เสร็จแล้วเราก็ทิ้งอะไรล่ะทิ้งซากศพเอาไว้การขาดแท่งชีวิตอินทรีย์ก็คืออินทรีย์ที่ทำให้มีชีวิตเาเรียกว่าชีวิตอินทรีย์ความมีชีวิ ต, วมมวตองค์ประกอบกอะไรล่ะก็วิญญาณอายุออุน่นก็ทำให้ อินทีมันมีทั้ง22บสองนะฮะภายในใจเราแต่ว่าตัวการใหญ่จริงๆก็คือตาหูจมลิ้นกายใจในมูสัตว์นั้นๆของเราสัตว์นั้นๆที่เรียกวโมรณะความตายนี่แหละท่านทั้งหลายชื่อว่าชรามรณะทีนี้ท่านก็อธิบายต่อไปว่า ประชาติเกิดชรามรณะจึงเกิดพระชาติดับชรามรณะจึงดับหมายความเราต้องเกิดก่อนนะเราไปเกิดมาก่อนถ้าไม่เกิดเราก็ไม่แก่เราก็ไม่เจ็บเราก็ไม่ตายอย่างพระพุทธเจา้าพระหานทั้งหลายนี่ทั้งกนณิพานนิพานาลแล้วก็ไม่มีองค์ประกอบของชีวิตคือกิเลสกรรมมิบากแล้วก็ไม่มีการเกิด เมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายความทุกข์ทั้งมวมันก็ดับดับไปเพราะไม่เกิดนั่นแหละแต่จริงมันดับไปเพราะกิเลสนะเกิดมันเป็นวิบากคือเป็นผลตัวเหตุจริงๆก็คือกิเลส ก, กับกรรมแต่ในความเป็นกิเลสไม่ใช่กิเลสทั้งร้อยเปอร์เซ็นะ คนที่กิเลสมีร้อยเ็นี่ยมันเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่ามีกิเลสเปอร์เซ็นต์สูงกว่าธรรมะหรือคุณธรรมเท่านั้นเองแต่จากนั้นก็ทรงแสดงมักมีองค์แปดประการอันนี้อย่าลืมว่าทุกข้อเนี่ยพระทรทศนแสดงแรมโครงสร้างของอริยสัจและจากนั้นก็อธิบาย ว่าเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดชรามรนะอันนี้ก็คือทุกข์นะฮะทุกข์กษัตริย์เอกเกิดแ่งชราโมรนะก็คือสมุทัยกษัตริ์ความดับแ่งชราโมรนะก็คือนิโรธกษัตร์และข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแ่งชราโมรนะนี้คือมรรคกษัตริเมื่อนั้นเธอจะละอนุสัยอนุสัยที่พระเทระยกมานี่มีอยู่สี่ข้อ คือราคานุสัยแล้วก็ปฏิฆาปฏิฆานุัยปฏิฆาคือราคานี่เป็นกิเลสประเภทโลภพอดีพระเทราชเรียกสอนกับพระคือถ้าสอนพระนี่จะใช้คำว่าโลภะนี่เป็นราคา้าสอนโยมเนี่ยจะไม่ใช้คำาราคาแต่ว่าสอนคำว่าโลภะ เพราะไรเพราะว่ามนุษย์มันยังเสพกา ร, รเพราะนั้นปัญหาเรื่องเสพกา ร, รถ้าเรากํากับควบคุมอย่าให้แรงเกินไปและราคามันจัดเพียไปมันก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้แต่ถ้าคนหนึ่งราคาลดลงไปมากคนหนึ่งราคาจัดเนี่ยมันก็ นอกใจกันแล้วถึงหย่าร้างกันตราคาลดลงไปด้วยกันทั้งคู่มันก็ดำรงอยู่ในศีลในธรรมข้าวัดฟังธรรมจำศีลแต่งชุดขาวผู้ชายก็รักษาโบสดศีนอนวัดโยมผู้หญิงก็รักษาศีนอนวัดก็เป็นคนก็เรียกว่าจำศีลกินเพนก็อยู่ในวัด ว่าราคะมันก็นลดลงไปโดยสานึกที่ไปลดความโลภความโลภนั้นหมายรวมทั้งราคาด้วยนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะไปเน้นที่วัตถุการามเราอื่นก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นน้อนแข็งเหมือนกันทีนี้ พอพระเสดระแสดงมาจนถึงสมาสมาธิแล้วก็ไม่ใช่สมาสมาธิคืออาเดียมักเป็นองแปดประการว่าเป็นข้อปฏญญิบัติได้ถึงซึ่งความดับแผงชราและมรณะก็สรุปเหมือนเดิมว่าเมื่อใดอริยสาวกรู้ชัด มรณะความเกิดแห่งชรามรณะความดับแห่งชรามรณะและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งชราและมรณะนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคานุสัยอนุสัยคือราคาพูดถึงกิเลสละเอียดนะคือมันตกตะกอนอยู่ภายในใจพวกอนุสัยพวก อ, วกอวาสวะพวกสังโยชนวนี้พวกกิเลสที่ที่เป็นตะกอนใจ อีกเเรียกอุาปาทานอะไรเนี่ยแล้วก็เอตเกิดแห่งราคานุัสเพี ย, ยงเท่านี้คือราคานุสัสปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัสแล้วก็วิชานุใสก็สีขอ้อทำได้อย่างนี้อเดียสาวกนั้นก็ชื่อว่ามีความม็นถูกต้อง คือความเห็นชอบก็สักสมาธิธสมา ธ, ธินี้ก็อย่าลืมนะว่ามันเป็นการเกิดร่วมกันหมดทั้งแปดข้อพอสมาธิติตรงนี้มันมั น, ม, นมันบ่งชี้ถึงการเห็นอริยสัจ ต, ตามความเป็นจริงโดยการผุดขึ้นจากปัจจัยร่วมกันของเรามากก็กลายเป็นสมายานสมาญาณะคือความรู้ในทางจิตชอบ ไปถึงจุดหนึ่งใจก็หลุดพ้นจากสัพ ป, ปกิเลสไม่เชื่อยังไงก็ไม่รู้ทั้งสับกิเลสทั้งสัพ ป, ปุตุกแหละพราะนิพพานบางทีเราก็ได้ยินว่าดับเพลิงกิเลสได้เพลิงทุกก็ดูแล้วเป็นเรื่องที่อย่าทุกคนอย่าต้องพยายามลองดูเท่านั้นเองไปถึงไหนก็เอาเท่าได้ก่กอน แต่สรุปว่าเกิดมาชาติหนึ่งอย่าให้กิเลสมันเพิ่มขึ้นตามอายุก็แล้วกันอายุเพิ่มเนี่ยกิเลสควรจะลดแต่ว่าธรรมะนี่ควรจะเพิ่มขึ้นได้กำไรจากการเกิดโบราณท่านพูดเดีไม่เสียชาติเกิดเกิดะทีนะขาดทุนปนปี้เลย อยางบางทีเนี่จะตาจะคนไปเกิดเป็นแมวอย่างเงี้ยก็ขัดทุนเยอะแล้วไปตกนรกเป็นเปรตเป็นนสุรกายเป็นนรกยิ่งไปใหญ่เลยเป็นเปรตเป็น น, น, น, นสุรกายเป็นสัตว์ดิแรชานดิแรชานนั้นก็อายุไม่ค่อยยืนเท่าไหร่แต่ก็สรุปว่าอบายทั้งสี่เนี่ยไม่ดีทั้งนั้นเนะี่เพราะฉะนั้น หลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่มีการปฏิบัติให้สมบูรณ์ได้แต่ภูมิหลังคือบารมีเนี่ยเราต้องมีมากพอสมควรเป็นต้นทุนเดิมถ้าเราไม่มีต้นทุนเดิมมากพอเนี่ยมันเอาไม่ทันถ้าเรามาสั้นเลยเกิน ป, กปุบปับปุบปับมาถึงไหนแล้วไม่รู้เราจะเห็นว่าอย่างนึกดูเวลานี้ว่า อายุก็ป่านนี้แล้วเอ๊ะเราก็ผ่านเด็กว่าไม่กี่ปีนี่นะมันเร็วเหลือเกนะินผลความตายก็ตายก็ายกมาหลือเกินปรากฏเมื่อไร่ก็ไม่รู้แต่เราก็ตายนแน่ผลเหตุมันก็เปลี่ยนทันนี้แสดงว่าชารากะมนาเนี่ยเป็นตัวยกขึ้นเป็นอารมณ์พิจารณาเอาชาราตัวเดียวก็ได้มอนานตัวเดียวก็ได้ให้เห็นชาราโมนานชัดเจน เห็นชาราชัดเจนหเหตุมรณะชัดเจนและจิตมันจะเปลี่ยนเพราะมันมาจากสมุทยัยหมายความว่าเมื่อเราเห็นตรงนั้นชัดเจนเนี่ยการแสดงวิชามันเกิดขึ้นแล้วก็ทําลายตัวสมุทัไทย่างมากก็ลดความเข้มข้นของสมุทยัยอาการของนิโรธก็เพิ่มขึ้นแสดงว่ามัดซึ่งเราปฏิบัติเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้น เวลาพิ่มเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเพิ่มระหว่างนิโรธกับมรรคแต่ว่าไปลดทุกข์กับลดส ม, มุทยัยทีนี้ถ้ามรรคมันสมบูรณ์มันก็กลายเป็นนิโรธที่สมบูรณ์ทุกข์ก็ดับไปอย่างสมบูรณ์กิเลสก็ดับไปอย่างสมบูรณ์ก็เรียบร้อยข้อต่อไปเนี่ยพระเทระก็ยกเอาคําว่าช า, ชาติวาระคือวาระของชาติคําเดียวนะฮะความความเกิดคําเดียว เนื่องจากภิกษุพอฟังเรื่องเชารากับเราหนะแล้วท่านก็สนใจต่าก็สนใจฟังต่อท่านบอกไวใ้ในประสูนร์ว่าภิกษุเหล่านั้นได้กราบเรียนถามว่าแต่ท้าคอรับยังมีเหตุอย่างอื่นอีกบ้างไหมก็พระเราก็แสดงต่อแล้วประกาศ ว, ว่ายังมีอยู่ เพราะเหตุที่อริยสาวกรู้ชัดชาติเหตุให้เกิดชาติความดับแผงชาติและข้อปฏิบัติได้ถึงด้วยความดับแผงชาติโดยเหตุเพียงเท่านี้แหละท่านทาั้งหลายพิสุคือบุคคลพุทธแน่นอะเพียงแต่วสัพปปนามที่ท่านชายในที่นี้เนื่องจากท่านเทศให้พิษุฟังอย่าลืมาธรรมะเป็นเรื่องสากล ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไอ้ี่เรื่องของพระเราไม่เกี่ยวมันต้องเกี่ยวอ่ะมันจะเกี่ย ว, วยกันทุกข้อนั่นแหละแม้แต่ที่โยมปฏิบัติเนี่ยโยมปฏิบททัติท่นให้ทานะสาสนะศาศีลพระก็ต้องมีให้ทานมิจฉาศีลตามกำลังของท่านยังไม่มีอะไรก็แจกแบ่งกันในที่ฉันอาหารหรือในวดัดก็แจกแบ่งกันในอะไรเราก็แจกแบ่งกัน ใช่โดยการอนุเคราะห์ก็มีโดยการสงเคราะห์ก็มีโดยการบูชาก็มีเหมือนกันอย่าโยมรักษาศีลห้าพระก็รักษาทั้งศีลห้านั่นแหละแต่ว่ามันเข้มงวดมากกว่าตีนหน้าของพระมันกลายเป็นปรัชิกสีสี่ข้อแรกถ้าละเมิดแล้วขาดจากพระเลยเจียงแต่ว่าเปลี่ยนระดับลำดับข้อจากข้อ สามมาเป็นข้อหนึ่งจากข้อหนึ่งมาเป็นข้อสามเท่านั้นเองแล้วก็รักษาประณิกว่หมายความว่าชาวบ้านเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศได้พระไม่ได้เกี่ยวข้องแป๊บก็ขาดจากพระเลยขาดตลอดชาตินะฮะเกี่ยวชาตินี้ทั้งชาตินีบวชต่อไม่ได้แล้วถึงจะไปหลอกใครบวช ออกมาก็ไม่เป็นพระที่ชอบด้วยพระวินยัยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราพูดถึงการปลอมบวชแล้วก็นักข่าวเนี่ยมักจะรายงานจะพระปลอมบวชไอ้ปลอมบวชมันไม่มีหรอก ก็แสดงว่าคนต้องปลอมบวชเป็นพระมันไม่ใช่พระปลอมบวชเป็นพระพระมาจากคนนี่ยจะพระปลอมบวชยังไงจับคนปลอมบวชเป็นพระใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องคือเราต้องรับผิดชอบได้พอถาม่าท่านเป็นพระอยู่แล้วทำไมต้องปลอมบวชะ มก็ไม่ใช่ทีนี้สมมติว่าท่านประสิชิ์มาแล้วท่านมาไปหลอกที่ไหนสักแห่งบวชท่านก็ไม่ได้ปลอมบวชเพราะว่าท่านบวชไม่ขึ้นก็จบแล้วชีวิตในชาตินี้เนี่ยจบแล้วแล้วข้อที่สองก็เป็นเรื่องรักษาเหมือนกันเกณฑ์กำหนดปริมาณทรัพย์เนี่ยแค่ห้ามาศแต่นั้นเอง ถ้าคิดราคาทองคำาเวลานี้รู้สึกทองคำสูงขึ้นแต่ปัจจุบันก็อาจจะไปถึงห้าหกร้อยบาทพอทองมันเกือบสองหมืนนะบาทมันเกือบสองมื น, 2, มน 2, ไปแล้วแต่ท่านก็ตีด้วยราคาทองสมัยโบราณสมัยสองพันห้ารอยกว่าปีที่แล้วราคาก็ไม่เท่ากันหรอกหลัากการก็คือว่า เอ า, าเล็ดข้าวเปลือกยี่สิบเมล็ดมาชั่งดูน้ำหนักเท่าไหร่แล้วเอาไปชั่งทองซื้อทองน้ำหนักเท่านั้นแล้วลองตีราคาดูถามราคาร้านทองเขาดูราคาเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นมากแต่ว่าในภาคปฏิบัติจริงๆไม่ไมเอาขนาดนั้นหมายความมาท่านารักขกโมยก็สึกไปเลยไม่ใช่ไปรออะไรอยู่อีก แล้วข้อที่สี่ก็คือค่าคนตายโทนค่าสัตว์นั้นจะไปอยู่อีกข้อหนึ่งเบียดเบียนสัตว์ก็ไปอยู่อีกข้อหนึ่งดาว่าสัตว์ก็ไปดูอีกข้อหนึ่งเยอะเลยก็สรุปว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรแก่การปฏิบัติเพื่อขัดเราจิตใจด้วยกันกาโยมันจะทําได้ดีกว่ า, าก็ทําไปเลย เราต่างคนต่างมาสู่โลกนี้ด้วยกรรมของตัวเองอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมของตัวเองจากโลกนี้ไปโดยกรรมของตัวเองแต่ละคนรับผิดชอบเราไปชอบกรรมที่ตนกระทําไม่ต้องรับผิดชอบกรรมที่คนอื่นเขากระทำหรอกเรารับผิดชอบจริงๆคือกรรมที่เรากระทำแต่แน่นอนในความเป็นสังคมเราก็เห็นว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไร แต่ก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทาของคนอื่นบางทีไม่รู้วิโนยเนเลยอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกเราก็ได้ข่าวเออมันก็เป็นกรรมของเขาทีนี้ชาติเนี่ยท่านก็แสดงเหมือนเดิมนะฮะคือหมายความแสดงโครงสร้างอายาสัตว์เหมือนเดิม เพราะเหตุที่อริยสาวกรู้ชัดชาติเหตุเกิดแผงชาติความดับแผงชาติและข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งชาติโดยเพียงเท่านี้แหละท่านทั้งหลายอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นทรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมไม่ครนแครนมาสู่พระสัทธรรมนี้ทีนี้ท่านก็อธิบาย แต่คำวาา่าชาติเนี่ยเราพูดกันเยอะคืออีกข้อหนึ่งนะอีกข้อหนึ่งชอบพูดกันก็การเมสุมิชฌาจารย์เราพูดไปในทรรนองว่าไปหยิบสวยของที่เขารักมาเป็นของตนไม่ใช่เลยนะฮะการเมสุมิชฌาจารย์หมายถึงเรื่องทางเพศอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่เกี่ยวเรื่องอื่นไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่อธินาฐาน เช่นรขโมยปากกาเพื่อนเนี่ยขโมยดินสอเพื่อนขโมยยางลบเพื่อนเนี่ยมันอยู่ที่อธินาทานไม่ได้อยู่ที่กาเมสุมิชาจารย์กาเมสุมิชาจาร์ามมาารนั้นคือเอาเฉพาะเรื่องเพศอย่างเดียวหรืออื่นจะมีข้ออื่นอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไม่สับส น, นเราอ่าไปยุ่งนะท่านทรงแสดงอย่างไรคืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยอธิบายว่าไป หยิบของรักของใค่ของบุคคลอื่นแล้วก็เป็นการเมสุมิจฉาจารย์อย่างนี้ก็ยุ่งหมดเลยแล้วทินาทานทำหน้าที่อะไรทินาทานเนี่ยกรอบมันใหญ่มหาศาลเลยนะมหมายความว่าการล่วงแล้วเมื่อสิทธิในทรัพย์สินทุกชนิดเว้นไวแต่เรื่องเพศเป็นอาทินทั้เป็นอาทิ น, น, นาทานทั้งนั้นแต่การเมสุมิจฉาจารย์จะเน้นไปในเรื่อง ล่วงละเมิดในทางเพศเวลาอธิบายเนี่ย ท, ท่านอธิบายผู้หญิงว่ายีสิประเภทที่ผู้ชายไปล่วงละเมิดได้อยู่เจดประเภทคือไม่เป็นกาเมแต่ว่าเป็นบัญญาที่ไม่ควรทำแต่อีสามประเภทเนี่ยเป็นทั้งกาเมด้วยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอันซาจา์คือมัญญาที่ไม่ควรประพฤติด้วยมันไม่เรื่องละเมิดละหม แต่ความคิดความอ่านของคนในสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงไปเยอะและยังนึนกว่าถึงจุดหนึ่งก็ฉุดไม่อยู่เพราะว่ากระแสที่ออกมาทางสื่อนี่มันมีอิทธิพลเยอะแล้วคนรุ่นใหม่มันเติบโตท่ามกลางสื่ออีกอย่างหนึ่งต่างหากเราสังเกตว่าแม้แต่เด็กสาว ที่ปรากฏทาง จ, ทจอจอโทรทัศน์อะไรต่างๆบางทีก็พูดเรื่องเพศน่าเฉยต่อเฉยเลยเขาไม่พูดกันหรอกคุณ น, นสตรีเนี่ยเขาไม่พูดกันในที่สาธารนณะแต่เวลานี้เขาพูดแล้วแล้วก็ต่อไปก็ อ, าจจะนะอก่านะน้าครอบอันั้นก็ต้องปล่อยสัตโลกเป็นไปตามกรรมเขาก็คงจะพูดจาอะไรกับเขาไม่ได้หรอกถึงพูดเขาก็ว่าเฉยล้าสมัย ไดโนสารตาล้านปีก็ว่ากันไปแต่ว่าพระธรรมธรรมะที่พุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยเราต้องรู้นิยามของพระพุทธเจ้าเองภาษาริบุตรนิยามก็นิยามตามที่พระพุทธเจ้าทรงนิยามไว้มีข้อความเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงนิยามไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรทรงอธิบายธรรมชาติลักษณะของชาติคืออะไร คือความเกิดในหมู่สัตว์นั้นๆแห่งหมู่สัตว์นั้นๆความก่อเกิดความก้าวลงสู่ขันความบังเกิดขึ้นความถือกาเนิดความปรากฏแห่งขันทั้งหลายการกลับได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆแห่งเราสัตว์นั้นๆนี้แหละเรียกว่าชาต หมายความมชาติความเกิดก็คือเกิดกำเนิดสีในกำเนิดสีอย่างใดอย่างหนึน่งเกิดในคันก็ได้เกิดในไข่ก็ได้เกิดในสิ่งสกปลกก็ได้เชื้อไวรัสทั้งหลายเป็นต้นตัวนอนตัวเนินเนี่ยแล้วก็เกิดประเภทโอปปาติกะคือเกิดโดยผุดขึ้นเติบโตเป็นวินยูชนเป็นผู้ใหญ่ในทันทีทันใด นี่ก็สรุปเ ร, เรียกว่าเป็นความเกิดจากนั้นปธิร ะ, ระกษ์อธิบายตามโครงสร้างของปฏิจจสมบัติคือเพราะพบมันเกิดพบนั้นแปลว่าความมีความเป็นก็ได้แปลว่าที่อยู่ของสัตว์ก็ได้แต่บางทีนี่แปลว่าสังขารภพท่านเรียกทับลงไปว่าสังขารภพ หมายความว่าบุญบาปที่เป็นเหตุนำไปสู่การเกิดก็ เ, เรียกว่าพบพบมันก็จะแนกเป็นโดยระดับขั้นของจิตนะฮะพัฒนาการทางจิตเขาเรียกว่าเป็นกามาพบคือพบที่สัตว์โลกยังเสพกามอยู่ก็มีอะไรละ่ะมีอบายสี่ มีมนุษย์หนึ่งมีสว 6, รรค์หกรวมแล้วก็เป็นสิบเดระดับทีบเว ป, ประเภทนะฮะสิบเระดับดีกว่าเพราะมันเป็นชั้นของจิตที่ประณีตไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแต่ก็ทั้งหมดก็ยังเสร็จกันพอการที่เสร็จมันก็ประนีตขึ้นไปอีกยันึ่งก็เป็นรูปประพบ รูปภพก็คือภพที่เป็นที่เกิดของท่านที่บำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานตั้งแต่มาธมฌานขึ้นไปจนถึงเป็นพระนาคามีนะครับพระนาคามีก็มีภพเป็นที่อุบัติห้าภพห้าชั้นเขาเรียกว่าสุทธาวาสที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธ์ แล้วก็รูปภพก็เป็นที่เกิดของท่านที่ใดอารูปชาติทีนี้พระภพมันเกิดนี่ชาติจึงเกิดหมายความว่าถ้าภพไม่มีนี่ชาติไม่รู้จะเป็นคือที่ไห น, นบนภพบางทีก็เรียกว่าวิญญาณที่ติที่ตั้งของวิญญาณและก็เรียกว่าสัตว์ตาว่าคือที่อยู่ของสัตว์ที่ตั้งของวิญญาณ น, นั้นพูดเป็นขณะแต่ว่าสัตว์ตาว่านั้นอยู่นานอยู่ตามอายุ มากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าอยู่ได้นานกว่าวิญญาณทิติวิญญาณทิติมันพออะไรล่ะพอจุติปั๊บถือไปสืบที่ปุ๊บมันภารกิจระดับที่ตั้งของวิญญาณมันได้แล้วจากนั้นก็อยู่อยู่ในภพนั้นนั้นเพราะภพดับเ น, นชาติจริงดหมายความว่าไอา้ภพกระชาติเนี่ยมันมันมันแยกกันไม่ได้ ใกลค่กับน้ำร้อนกับความร้อนเนี่ยตัาต้มน้ำร้อนเพราะมันเกิดขึ้นมาจากความร้อนการที่น้ำร้อนก็เพราะว่ามีไฟทำให้มันร้อนทีนี้ถ้าน้ำมันเย็นขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าไฟดับละหรือว่าไฟดับแล้วก็ทำให้น้ำมันเย็นได้มาความว่าถ้าอยู่ก็อยู่ด้วยกันถ้าไปก็ไปด้วยกันเมื่อพบดับชาติก็ดับเมื่อชาติดับพบก็ดับ นี้ก็อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงผลจากการสัสรูที่เกิดขึ้นแก่พระองค์แก่ท่านปัญญาขีรับสั่งว่าก็ l a ยา n ได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายหมายความว่าชาติดับพบไม่มีต่อไป ไม่มีภพที่จะอุบัติอีกต่อไปเพราะว่ามันไม่มีชาติแล้วก็ไม่มีภพทีนี้อาจจะไม่มีภพแล้วก็ไม่มีชาติก็ได้ทีนี้จากนั้นพระเถระก็แสดงอริมักย์ไปองแปดระการจนมาถึงสมาสมาธนะิแล้วก็สรุปรวมเหมือนเดิมว่านี่แหละเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับแผงชาติ เมื่อได้แลริยาสาวกรู้จักชาติเหตเกิดแห่งชาติความดับแห่งชาติข้อปฏิบัติได้ถึงซึ่งความดับแห่งชาตินี้เมื่อนั้นเตอจะละราคาโนใสัยได้โดยประการทั้งปวงแล้วพระรเนี่ยปฏิคาโนใสัยทิฏฐานโสัยแล้วก็อวิช า, านโสัยรวมเมกิเลส ท, ที่มีชื่ออยังงี้นเนี่ยเทียงว่าท่านยกมา คือตามปกติแล้วการยกกิเลสมาเนี่ยไม่ยกหมดหรอกยกแต่หลักหลักยกแต่ทั่วเป็นตัวรากง้าวชี้ต่อไปมันจะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอีกมากมายก่กองอย่างไรก็เป็นเรื่องของมันจะต้อยกมาพูดหมดมันก็ก็ยุ่งอ่ะอย่างที่วันก่อนเราผ่านอะไรล่ะอุปกิเลสมาสองสูตรนะฮะข่าวละสิบหกข้อ เพราะข้อนี่มันมันต้องท่องแล้วอะประวัยประว่าซ้ํากันเยอะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันเยอะมันมีอยู่สามประเภทแต่ในั้นเด่คือโลกุลลมแต่ว่าอาการความเข้มข้นของกิเลสที่เกิดขึ้นทําปฏิิรยาต่อจิตเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเข้มข้นตามเข้มข้นปานกลางเข้มข้นสูงเข้มข้นสูงมากอะไรต่อะไรเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเช่นอรติอารติก็คือโทษาเหมือนกัน แปลว่าความไม่ยินดีปฏิฆะก็คือไม่พอใจหงนินเงียบก็เป็นโทษสัต์แล้วก็โกธะคือความโกรธบางโกรธก็อาจจะขนาดน้อยขนาดสูงขึ้นขนาดกลางๆขนาดสูงสุดขนาดรุนแรงพอรุนแรงเขาก็ไม่เรียกว่าโกธะแล้วเขาก็เรียกว่าประทุษร้ายละเพราะมันจะออกทางกิริยาอาการทางแววตา ทางปากทางมือทางเครื่องทุนแรงอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่าเรื่องบางเรื่องนี่มันมันไม่น่าจะแรงขนาดนั้นแต่คนเดี๋ยวนี้รู้สึกแรงนะวาะข่าวคราวการรายงานเรื่องราวต่างๆฟังแล้วมันก็มีแต่สลดใจว่าเอยคนทำบาปกันจัก ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องตายจะต้องตายแล้วต้องเกิดอีกนะฮะไม่ต้องคิดไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเกิดอีกเราทําบาปรกรรมระดับสี่ห้าไม่ต้องไปไกลหรอกเอาสี่ห้านี่แล้วเอาสี่ข้อแรกเลยทําไปมันก็ขาดทุนนะนะเพราะศี่ห้านี่เป็นเหตุให้เราเกิดเป็นมนุษย์ได้ ทีนี้เมื่อชาติปัจจุบันเราแทนที่จะสืบต่อความดีที่ที่เป็นเหตุสร้างคบชาติได้เราเนี่ยมันประนีขึ้นอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์แหละปรากฏว่าขาดทุนยุบยับหมดเลยแล้วต่อไปจะเกิดเป็นอะไรทีนี้มีรายการรายการหนึ่งเลี้ยวแปดหมืนสี่พันแปดหมืนสี่พันธรรมคันนนะครับก็จะเน้นพูดเรื่องกรรม กวน ก, ก่อนก็การพูดเรื่องอะไรนิมิตมรณะความคนคนหนึ่งเวลาเขาฝันว่ากินข้าวกับใครเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคนเหล่า น, นั้นจะตายตอนวิธีที่เขาแก้ไขก็คือตรวน้ำทุกครั้งที่เด็กฝันว่ากินข้าวกับใครจนในที่สุดก็ไปศึกษากับอาจารย์กรรมฐานรู้สึกจะอยู่ทางภาคเหนือแต่ก็บอกว่า อุปัสิกาท่านเนี้ยชาติก่อนเป็นย ม, มาบาลเป็นคนดูแลคนที่กำลังจะถุดพ้นจากนารกให้ได้มากินบวงสรวงก็ได้ชิงเปรตอะสมัยชิงเปรตแต่ว่าสัตว์นรกหล่านั้นได้โอกาสหนีไปเพิ่นท่านก็ต้องตายจากย ม, มาบาลมาเกิดเป็นผู้หญิงแทนที่จะเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยเกิดเป็นผู้หญิง แระจายกับมาเอาพวกนี้คืนไปรับผลครรคฟังไว้บ้างเพราะว่าเรื่องนี้เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่มันมีอยู่โดยกฎธรรมชาติของมันและตัวเนี้ยเราก็เรียกว่าชาติก็คือความเกิดประเภทเนี่ยต้องฟังต่อมเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปรทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรูในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี